นี่คือรายการเปิดตามที่ถูกปิดผ้าออนไลน์อาตมาพระไพรวุลนพิบุญโนจากวัดป่าดอนไหส่งทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอรัตพงศ์ครับกราบนาฏการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันดแพทย์นัทธพงศ์กระกวิรุณจากกรุงเทพครับคราวนี้หมอรัตพงศ์มาแล้วไม่ได้หายไปไหนครับก็เลยจะมีครับมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ให้ท่านผู้ฟังกับหมอรัตพงศ์ฟังครับเป็นเรื่องของอันนี้เจมส์บอนกินทตมันปลากาย อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่ตามตามใจฉันนะแต่เป็นข้อสังเกตที่ที่อาตมาได้พบเจอขึ้นมาอ๋อเออถ้าเราเราเคยหมอท่านงเคยดูหนังไอ้นี่มาเจมส์บอลถูกป่ะดูครับสายลับนะพยักไร้ายไม่ใช่คังคังฉีกอะไรพวกนั้นนะไม่ใช่พยักไร้คังคังฉิกนะนี่เจมส์บอนย์ศูนยตัวจริงนะครับที่เป็นอยู่อังกฤษนะไม่ใช่ที่อยู่ฮ่องกงนะอ๋อทีนี้ว่าเจมส์บอลเนี่ยเขาเป็นสายลับคและสายลับเนี่ย คือปกติคุณจะไม่รู้ว่าใครเป็นสายลับใช่ไหมถ้าคุณรู้ว่าใครเป็นสายลับในคุณตายไปแล้วเหมือนกับว่าถ้าเขารู้ว่าเราเป็นสายลับเนี่ยนะเราตายไปแล้วอืมนึกออกไหมรับเขาจะปกปิดสุดฤิ์ใช่ว่าตัวคุณเป็นใครเราไม่ใช่สายลับมาทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ปรากฏว่าไอ้วิธีการที่เขาจะฆ่าสายลับเนี่ยมันคือยิงป้องก็ตายละทีนี้มันจะมีอยู่กระบวนการหนึ่งที่เขามักจะใช้ฆ่าซึ่งเจมส์บอลก็เคยโดนมาหลายๆครั้ง นั่นก็คือการที่ใช้ยาพิษยาพิษเนี่ยเวลาเจมส์บอลเขากินยาพิษเข้าไปแบบเผลอเนี่ยนะเขาต้องระวังตัวตลอดแหละตอนี้พอไอดีนิตี้เขาถูกเปิดเผยแล้วเนี่ยคือคือ security ถูกบริชนะถูกคอมเพลเมช์นะเขาจะต้องเขาจะถูกฆ่าตอนี้วิธีการหนึ่งคือเขาถูกวางยาวางยาแล้วทีนี้ปรากฏว่าร่างกายนี่มันเหมือนมึนตึงไปละปวดหัววินจะอ้วกจะอะไรต่างต่าง ทีนี้สายลับเนี่ยก็จะมีเครื่องมือของสายลับต่างๆเช่นปืนเช่นรถยนต์เช่นอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะที่ช่วยให้สายลับสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการต่างๆมาได้ครับนะอุปกรณ์อันหนึ่งที่เขาต้องมีก็คือว่ายากแก้พิษอ๋อครับทีนี้ยากแก้พิษมันก็ไม่ได้พบไปทุกที่นะมันก็ต้องอยู่ตามตามรถทีนี้ยากแก้พิษเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอันเดียวมันแก้ได้หมดทีมันต้องมีพิษแบบของร้อนหรือของเย็นมันมีพิษหลายๆแบบซึ่งเขาเรียกว่า คือหมอแล้วดงเป็นหมอเขาต้องทราบถูกปะเขาเรียกว่าอะไรอที่ตัวไปไปจัดการทําให้นิว t r a l i z e ฤทธิ์ของมันภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะมีศัพท์คำหนึ่งนะมันมีบ u ฟ f e r เออเออเอที่จะไ้ละลายทําเป็นสารละลายของไอตัวพวกนั้นนะะครับทีนี้ก่อนที่เขาจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยคือไอของพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเก็บอยู่ในรถรถของสายลับอนะครับทีนี้ก่อนที่คุณจะไปถึงรถบางทีคุณตายก่อนเพราะว่ายาพิษพวกนี้มันออกรออกิดแร้วอ่า เร็วแล้วก็แรงแล้วก็บุ๊กปักน้ํำลายฟูมปากเลี้ยงไปเลยก่อนที่คุณจะถึงรถเพราะฉะนั้นสายลับเขาจะต้องหาวิธีการที่เขาจะต้องเอาตัวรอดไปถึงรถให้ได้เพื่อที่จะไปหายาแก้พิษนั้นครับซึ่งวิธีการที่เขาใช้กันส่วนมากคือกินน้ำเข้าไปตามเยอะๆนี่คือวิธีทหนึ่งหรือไม่คุณก็กินเกลือเข้าไปเกลือมันก็จะดูดพวกสารพิษนี้ได้บ้างใช่ครับเพื่อที่จะให้ไปถึงยาแก้พิษนี้ได้อืมครับนอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรหมอรัชวงอาจมาเห็นตัวอย่างนี้ทํำให้เข้าคิดว่า โอ้พรเราเราทราบพระวจนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ตัณหาเนี่ยเปรียบเส ม, มือนลูกส อ, อลูกสอนพอมันแทงเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันอาบยาพิษด้วยโอพิษของมันคืออวิชชาครับทีนี้เราบอกว่างั้นคุณเอาประปอักแผงเลยปะแผงเข้าไปรักษาแผลแต่ลูกหัวลูกศรคุณไม่ถอนออกเนี่ยมันก็ไม่หายนะใช่ครับเข้าใจไหมถึงแม้คุณถอนหัวลูกศรออกแต่ว่ายาแก้พิษคุณไม่ได้ใส่เดี๋ยวมันยังมาเรเดียมาเรดง ถ้าคุณยังมีเชื้อมาเรลเลี ย, ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าดีดีอีกปุบป๊บปเดี๋ยวเป็นอีกละมันกลับมาอีกละพราะจะไปหาตัวมันมันหายไปละแต่<ช>พออีกปุ๊บปับเดี๋ยวมันเป็นอีกละมันยังมีพิษแฝงอยู่พิษเนี่ยคืออวิชาออครับบางทีเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดใจมากแต่พระเจ้าเคยบอกว่าความโศกเนี่ยคือพิษของของตันหาสมมุติรเราถูกอะไรกระทบเข้ามาตุ้มเนี่ยโอ้ยมันมันตุ้มแล้วมันจบไปแล้วนะ ข่าวสักใดข่าวใดข่าวหนึ่งทาไมมันโศกเศร้าอย่างนี้มันมันช้าอยู่ในใจมันบาดลึกจริงๆเลยนะต่อเนื่องไปนะจ๊ะเดเลยคับางคนเศร้าโศกมากอย่างอย่างกรณีของข้อมูลของคุณรีสีลาที่ส่งมาในบกรใช่ครับที่บอกสูญเสียคนที่เรารักไปเนี่ยโอ้มันโศกมันบาดลึกแล้วมันเจ็บนานคนไม่รู้ไม่เคยอะไม่รู้หรอกเช่นคนที่เรารักตาย เป็นมะเร็งขั้นสี่อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนตัวเองไม่มีความเสี่ยงอครับหรือว่าคนที่เรารักมาทั้งชีวิตมาทรยศหักหลังเราโอ้โหหรือว่าเพราะว่าสามีเมียกิ๊กมาตั้งสี่สิบปีไม่เคยหวั่นเราเลยโอ้โหมันช้ามากครับนะหรือว่าคนที่เรารักมากลูกอย่างเงี้อลูกหัวแก้วหัวแหวนตายโอ้โหมันช้าจริงๆหรือเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตถูกโกงหาย กลับมาถึงบ้านบ้านไม่อยู่แล้วถูกไฟไหม้ออย่างเงี้ยโอ้โหหมอเรื่องพงมันหมดทั้งชีวิตจริงๆนะจริงครับคนคนบอกว่าโอ้ยรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจโธ่พูดได้เหรอพูดได้อย่างเดียวใช่ครับพูดได้อย่างเดียวแต่ว่าจริงๆทําไม่ได้เนี่ยเวลาที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันกระแทกตึมเขาให้แล้วเนี่ยกลับมาบ้านนั่งรถเมยอยู่คนเดียวอ่ะบางทีไม่มีใครพูดกับใครน้ําตาก็ไหลร่วงปล่อยออกมาเอง มันเศร้ า, าขนาดนั้นนะจริงครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีปัญหาเนี่ยความโศกนี้เกิดขึ้นแน่นอน ค, ความโศกนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเออ่มันมันยังมีมันยังมีเชื้อแห่งความโศกอยู่จริงทีนีไ้ไอ้ไอ้คือความทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้ไอ้ความโศกที่อยู่ในจิต ข, ของเราอะ่มะมรดพงศ์ทําไมมันเศร้าโศกขนาดนี้คือเหมือนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า agony อืมครับ agony เนี <con> ่ยเป็นความแบบโอ้โหทนทุกข์ทรมานที่ขนาดที่เราว่า อมีความเจ็บปวดที่เขาเขาเรียกว่าอะไรหมอแล้วคงแบบเรียกว่าปางตายเอปางตายเลยคือคืออีกนิดเดียวก็ตายแล้วอ่ะแต่ยังไงก็มันก็ไม่เกินตายใช่ไหมความเจ็บคือถ้าเกินไปนิดนึ่งกูตายแน่เลยนะเหมือนอย่างอที่จีเซสคริสเขาถูกจับครูซิฟายถูกจับตรึงกางเขนเนี่ยงเขาเขาอธิบายความเจ็บปวดของการที่ถูกตรึงกางเขนเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบแอกกอนีโอเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากๆแล้วแล้ว มันบาดเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันเจ็บอยู่ที่ใจหมดรู้ป้อง ค, คนที่แหมเหตุการณ์เนี่ยไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเคยผ่านมาหรือเปล่านะเหตุการณ์ที่มันโหช้ามากๆเอถูกคนรักทรยศเเงินหายพ่อตายแม่ตายลูกตายหรือใครที่รักตายเสียไปเนี่ยโอ้โหมันเจ็บช้า ม, มาก<น>ความเจ็บช้ําตรงนี้คือผิษของลูกศรคือตัณหาคฟังให้ดี ค, ค, ความเจ็บช้ําตรงเนี้ยคือพิษ ของลูกศรคือตันหาคุณถูกตันหาแทงแล้วแทงตุบปุ๊บตรงนั้นใช่ไหมครับเจ็บแล้วจีหนึ่งยังเจ็บที่ใจอีกไปเรื่อยๆพิษตรงนี้ยังอยู่ครับถามว่ากว่าที่คุณจะไปหายาแก้พิษมาได้โอ๊ยบอกให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงโอ้ยใครมันจะไปเห็นตามที่เป็นจริงอ่ะมันเห็นแต่ปัญหาเฉพาะหน้ามันจะไปแก้ได้ไงหมอท้านพงศ์เข้าใจไหมพูดได้เฉยเป็นในตาราเฉยครับพอเงินทั้งชีวิตคุณเก็บรวบรวมมาทั้งหมด อย่สมมตินคนอยู่ในวัยกลางคนอย่างเงี้ยส<แ>ี่สห้าสิแล้วเงินคุณเก็บมาทั้งหมดเป็นกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยเลขเ็ดหลักแปดหลักทั้งหมดเนี่ยเจอวิกฤตการครั้งเดียวคืนเดียวหายหมดเลยหรือ บ, บางทีไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยโอโ้โหมันไม่เหลือเลยนะประกันแม่งกระช่ายนิดเดียว<แ>บางทีไม่มีประกันด้วยซ้ำเพิ่งต่อประกันเอาง่ายๆ<แ>เอาอย่างสมมติย่อส่วนลงมาหน่อยย่อส่วนลงมาหน่อยอย่างรถคุณอะรถคุณเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอย่างเงี้ย ยังไม่ทันจะเอาไปทำประกันเลยถูกชนตู้อย่างเงี้ยอือโอ้นี่มันแค่ได้ส่วนเสี้ยวของไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นนะจริงครับอือทีนี้ถามว่าพอเจอคุณเจอพิษคือความโศกเสียดแทงเขาให้แล้วเนี่ยมันเสียดแทงอ่ะบางทีบางคนจนปวดท้องอ่ะคือคือไอ้ไอ้ท้องน้อยเนี่ยมันมันโผลลงไปเลยอ่ะออืจนท้องนี่มันบิดไปเลยอ่ะมาเคยเห็นคนที่เศร้าขนาดนั้นน่ะอือครับท้องโบล่ไปเลยน่ะแล้วแล้วอืม คือจนกระทั่งแบบร้องไห้ปัสสาวะราดแล้วก็แบบทําอะไรไม่ถูกอ่ะโอ้โออกทางทวารแบบเรียกว่าออกหมดเลยคือคือแบบมีความโศกมากครับทีนี้ถามว่าเมื่อคุณเจอความโศกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงอืทําไงดีครับท่านเหมือนเจมส์บอกครับเข้าใจไหมเข้าใจครับคือก่อนที่คุณจะไปหายาแก้พิษถึงยาแก้พิษเนี่ยคุณต้องกินเกลือก่อนคุณต้องกินน้ํามากๆก่อนมิฉะนั้นคุณไปไม่รอดคุณไม่ถึงคุณตายคาที่ เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีเนี่ยใครจะบอกว่าเออเห็นตามที่เป็นจริงโอ้ยผู้ใดเฉยนี่มันอยากแก้พิษอยู่นู่นยังไม่ถึงเลยคุณจะตายเดี๋ยวนี้แล้วคุณเจ็บจะตายเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะบอกว่าให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่าพูดเห็นตามที่เป็นจริงแล้วลมหายใจลมหายใจยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเราจะฆ่ามันอย่างเงี้ยมันแค้นมากอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าหรือว่าเวลาที่เราบอกว่าเอ่อให้รู้ว่าหายใจให้เห็นตามที่เป็นจริงเออให้ปล่อยวางให้เห็นเกิดดับพูดได้เฉยเฉยก็ใจเนาะ ทีนี้เราจะแก้ยังไงอวิธีแก้ก็คือว่ายิ่งยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้นะหอมอระพงยังสมัยนี้สถานการณที่เราแบบเจอความโศกมากๆเลยเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากๆเลยเนี่ยนะ ช, ช็อกไปเลยเนี่ยนะช็อกไปเลยถึงกับทาอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยนะหูอื้อไปเลยเนี่ยนะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเ อ, อสิ่งที่คุณทําเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจอะไรไปณนณะนะขณะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องแยกไปหมด สมมติคุณจะโทรหาใครจตัดสินใจว่าจะเซ็นเอกสารนี้ไหมโครงการนี้จะผ่านไหมจะตีลูกจะด่าคนโน้นจะตัดสินใจงานอันนั้นจะเละไปหมดเลยอืมคือเพราะว่าจิตเราไม่อยู่ในจิตต้องมีความโศกไงใช่ไหมจิตเราไม่มีสมาธิเนี่ยจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยิ่งแย่ไปหนักเข้าใจนะคือคือแบบว่าจิตมันมันมันบ้าไปแล้วอ่ะเป็นจิตที่มุนงงหลงไหลแล้วและเป็นผู้มีสติคลั่งเพลยแล้วแม้ขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าเจอในกรณีนี้เนี่ย โอ้โหเราเราอย่าไปทำอะไรนะเราต้องต้องรีบอนี่ลีออกจากการที่ต้องตัดสินใจการต้องเจอผู้คนนะคืออย่างบางคนเนี่ยเห็นตามโรงพยาบาลเยอะแยะแม่ตายหรือลูกตายนะหมอพยาบาลคนรอบข้างถูกด่ากราดหมดอืมอ่าถูกด่ากราดหมดนะไม่มีใครที่ไม่ถูกด่าเลยยกเว้นผู้ด่าคนเดียวตียังด่าตัวเองด้วยซ้าจริงครับด่ามด่ามันทุกคนตัวเองก็ยังด่าครับนะ S <S <S <S เออเตียงเตียงยังด่ายังด่าเตียงด้วยซ้ำประเตียงทําไมมันแตะเตียงอยีกมันโอ้ยเพราะว่าความโศกถูกความโศกครอบงําแล้วครับน่าเห็นใจมากน่าสงสารมากน่าที่จะมีความเมตตากับบุคคลนั้นมากๆถามว่าสมมติเราตกอยู่ในสถ า, านการณ์เราจะแก้ยังไงใช่ไหมไ อ, อ, อ, อพวกเห็นล่มให้ใจต่างๆก็พูดไปแล้วผูดด้ใดเฉยวิธีแก้ก็คือหมอรัตพงศ์อันดับแรกเราต้องหลีกเลี่ยงพวกการแต่ใจอะไรต่างๆให้หมดซะก่อนนะมันกระเทือนจิตมันจะกระเทือนคนอื่นด้วย แล้วบอกไอ้ที่ลมเห็นลมหายใจอ่ะเลิกพูดไปเลยไม่ต้องเห็นไม่ต้องดูไม่ต้องรู้ไม่ต้องสนใจอย่าพเพิ่งเพราะว่าคุณยังไม่ถึงจุดนั้น<อ>สิ่งที่คุณต้องทําเนี่ยก็คือว่าให้เอมันนึกถึงลมหายใจเนี่ยก็ไม่ได้นะเอาง่ายๆเรานึกถึงเรื่องดีๆในชีวิตเราก่อนที่ที่เคยผ่านๆมาอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆอย่างสมมติว่าเราแล้วเรายังเรายังมีตัวเราอยู่เรามีแขนขาอยู่นะคนที่พิกา ร, ร, การเออคนที่พิการอย่างอื่นนี่แย่กว่าเราอีกนะ ออเรยังมีข้อดีตรงนี้นะและ้วถัดไปเรามาดึกว่าเอ๊ะถ้าเราหิวข้าวเนี่ยเราก็มีข้าวกินนะครับเรายังมีข้าวกินกินข้าวมื้อล่าสุดเมื่อไหร่ก็เมื่อวานนี้โอ้ ย, อยเด็กในแอฟริกานี่บางคนนี่กินข้าวอาทิตย์หนึ่งสครั้งเองมันจังเหรอเป็นเพื่อหัดแต่ที่เหลือไม่ได้กินเรายังมีข้าวกินนะโอ้ยเรายังดีกว่าเขาตั้งเยอะนะฮะ ห, หมอเดี๋ยวนี้มีสามสบาทรักษาที่โรคทุกโลกมีที่ดีกว่านั้นอีกศูบาทรักษาทุกโลกก็มี ครับเออถามว่าเอาเาเราอยากมีหมอแล้วก็เจอหมอได้นะถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ไม่หาหมอก็ไม่มีนะเนื้อไหมครับหรือย่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายของเรายังมีดีๆอยู่ะคนอื่นเขาไม่มีตั้งเยอะแยะแน่เลยผมครับแล้วพอพอเรามาลึกนึกถึงไอ้พวกเนี้ยนึกถึงไอ้พวกเนี้ยเราจะเขาเรียกว่ามีความสบายใจขึ้นมาบ้างครัความทุกเริ่มเบาบางลงความทุกเริ่มเบาบางลงจะเขาเรียกว่ามีความสบายใจขึ้นมาบ้าง ครใช่ไห ม, มเพราะไม่งั้นเราจะถูกพิษของความโศกเนี่ยกินจิตเราอยู่พิษนะพิษของความโศกนะหมอทวดมงมันมันมันมันโศกมากมันกินจิตเราอยู่ทีนี้เราจะคลายตรงนี้ออกไปได้เพื่อให้ไปถึงยาแก้พิษเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกนี้เอาเรื่องเบสิคเรื่องพื้นฐานที่คุณมีดีกว่าคนอื่นนะครั บ, รบเมื่อคืนคุณนอนอี่างไรคือนอนที่บ้านนะโอ้ ย, ยังมีบ้านให้นอนน่ะบางคนต้องไปนอนตากน้ําค้างนะถ้ามมผมก็มีอยู่พื้นเดียวใช้กันทั้งครอบครัวคนจนมากๆขอทานอย่างเงี้ย แต่พอตื่นเช้าม า, าผ้าห่มเปียกหมดต้องตากนะตากเสร็จบางวันฝนตกไม่แห้งต้องนอนทั้งนอนทั้งปกเปียกนะมีเขาเรียกว่าอะไรหลังคาคือท้องฟ้าอือย่างเงี้ยเหมือนคนเร่ร่อนเออเรายังมีบางคนนตน้นอนใต้สรรันลอยครับแล้วเรารยมีบ้านอยู่โอ้เราดีกว่าคนทั้งเยอเแยะคุณมีรถขับไหมโห อ, อย่าพูดถึงเลยคุณเอก็ต้องเดินเอาครับเราแค่คิดแค่เนี้ยนะเรายังจะคลายความทุกข์ได้บ้าง <Genau. S 2> แล้วหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอะไรต่างๆทีนี้มันเป็นอย่างนี้หม อ, ร, อรัฐพงศ์พอเราคิดถึงเรื่องเบสิกเบสิกพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปเศร้าโศงอีกมันจะกลับไปคิดถึงเรื่องที่เราให้โศงอีกอเราต้องคอยเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าเออเรา ม, ามาคิดถึงเรื่องที่มันดีๆไม่ต้อง อ, อะไรยิ่งใหญ่อลังการว่าโอ้คุณเป็นคนบุคคลเอกของโลกคุณเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่เลื่หรูอลังการไม่ต้องเอาสิ่งเบสิกเบสิกธรรมดาไหเห็นรองเท้าอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอ้โหเรายังมีรองเท้าใส่ ชีวิตเรายังไม่ได้ถึงกับไม่มีขาบางคนรองเท้าเขาไม่ต้องใช้เพราะเขาไม่มีขาไอา ย, ยาเรายังมีขายังดีกว่าอีกเนาะอย่างเงี้ยนะเอาคิดถึงเรื่องง่ายๆอพื้นพื้นที่เราเห็นได้ไฟฟ้าเหรอโหสมัยก่อนคูบาอจารย์่านหนันงสือต้องรอแสงเทียนอย่างเงี้ยหรือว่าต้องรอแสงตอนอ่านได้เฉพาะคืนวันพระจันทร์เต็มดวงครับในอีกสีอีกสิบกว่าวันที่เหลือของเดือนอย่างเงี้ยอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเรื่องมีหลอดไฟเนี่ยเนี่ยโหสมัยนี้เรายังมีโทรศัพท์ เรายังมีอะไรต่างๆที่ติดต่อสื่อสารกันได้น้คุณหนึ่งก็ไม่มีนะซึ่งพอเรามองตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะคลายความโศกได้บ้างคลายความโศกได้บ้างเข้าใจไหมพอคลายความโศกได้อย่างนี้บ้างแล้วเนี่ยคุณก็พยายามที่จะสังเกตลมหาใจเข้าใจไหมคือเหมือนว่าเริ่มใช้ยาแก้พิษละยาแก้พิษตัวจริงนะพวกบัฟเฟอร์หรือว่าบอนติบอดติกที่มันจะแอนทายไอ้เจ้าสารพิษนั้นนะสารพิษค เอ ม, มันก็จะคลายความทุกข์ได้บ้างอันนี้จะตอบคําถามของกรณีที่เราเจอความโศกอย่างมากๆทีเดียวครับออย่างมากๆทีเดียวแล้วถ้าเราจะตายอย่างเงี้ยเราคิดดูอนะเออเออถ้าเราจะตายมาเนี่ยเราอาจจะลึกถึงความดีพื้นๆของเราเองก็ได้ครับแต่ใช่นว่าเอ้ยฉันก็ยังเป็นคนมีสีนนะถ้าให้ฉันตายไปเนี่ยฉันก็ยังตายไปฉันก็ยังไปดีวะจัน ก, ก็ยังปกติโลกสวรรค์เออยังมี ร, ร่างกายที่มันจะดีกว่าปัจจุบันนี้ ไม่ต้องกังวลอะไรสบายใจได้ครับอย่างเงี้ยเอาแล้วอย่างคนที่มีกายทิพย์เนี่ยเขาไม่มาโศกเรื่องอะไรบ้าบ้าบอยอย่างที่เราเป็นนะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาเรื่องความตายอย่างนั้นไม่มีนะตายสบายสบายชีวิตอยู่อย่างสบายเฮ้ยมันดีกว่านะครับคุณคิดถึงอย่างเงี้ยเราก็จะสบายใจได้ครับแลนไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะต้องกลัวถึงกับหมครับเวลามีเจอทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนขึ้นมาใน ในกายของเราหรือว่าในที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยนะเราก็ไปนึกถึงสิ่งพวกนี้อาจจะเป็นดนตรีสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เราเล่นอยู่ในหัวแล้วเราก็สึกสบายใจขึ้นมาคืออันนี้เราจมากำลังพูดถึงปีติที่อาศัยอารมิตนะอ๋อครับใช่คือหมายถึงอาศัยดนตรีชนิดนี้มาเล่นในหัวของเราไม่ต้องใช้หูฟังนะคุณชอบดนตรีชนิดไหนคุณก็หรือเพลงเร่งไหนคุณก็ร้องอยู่ในใจอย่างเงี้ย คุณก็ยังมีความสบายใจอยู่ได้บ้างโดยที่ถึงแม้ไฟจะดับถึงแม้ไฟจะมืดเขาจับเราขังเอาไว้เราก็ยังมีความสุขในใจเราได้ครับทีนี้พอเรามีปิติสุขแล้วไงจิตเราเป็นสมาธินะเราตายไปเราก็ยังสบายนี่เหรอไหมถึงแม้ในความเจ็บตรงนั้นเราก็ยังไม่เจ็บดูอย่างแม่เอ้าแม่คลอดลูกออกมาเพลาะเนี่ยเจ็บจะตายพอเจ็บปุ๊บความเจ็บหายไปไหนหมดห<า>พรปีติสุขอ่าปิติสุขที่เกิดขึ้นนั่นเองเราก็จําลองด้วยสถานการณ์เดียวกัน คุณถูกทรมานกายอยู่คุณมีความทรมานทางกายอยู่คุณนึกถึงเพลงหรือนึกถึงอะไรอยู่ในใจของเราเนี่ยให้มันมีปีติสุขทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ภาษาเนี่ยมันจะดึงเราอันไหนหนักกว่าแรงกว่าหนาแน่นกว่ามันจะดึงเราไปอีกไปทางนั้นอ่ะมันจะดึงเราไปเจ็บต่อมันจะดึงเราไปคิดต่อนะเราก็พยายามดึงกลับมาแค่นั้นเอง <S <S คือคือคจะพูดดึงกลับก็ไม่ถูกนะคือครเราแค่ปล่อยเหมือนชักเขย อ, อย่างเงี้ยนะหมอรพงศ์แต่ชักเขยืชักเขยือกันใช่ไหมปล่อยซะ อีกฝ่ายหนึ่งล้มเพลิงล <บ S 1> ไปเลยเราปล่อยความคิดนะะั้นซะแล้วให้ความคิดของเราเนี่ยมาอยู่ในเรื่องที่มันเป็นบวกเรื่องที่มันดีๆอย่างเช่นเรื่องปัจจัยสีที่เรายังเคยมีอยู่ยังมีอยู่ตอนนี้นเรื่องของอชีวิตข้างหน้าถ้าเราทําความดีว่าเราอยองสบายใจอย่างนี้นะคแค่นี้เองนะเราถึงจะค่อยเริ่มสังเกตลมไายใจได้เริ่มจะเห็นความไม่เที่ยงได้เนี่ยมันมันต้องเป็นขั้นตอนอย่างี้ ไม่ต<า>้อตายก่อนครับกรณีผู้ที่ฝึกมาอย่างดีอย่างเรื่องของอาณาปนาสติก็จะสามารถ เ, เรียกว่าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เร็วได้ไวมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ใชคือเขาก็เตรียมการมาคือคนจะเตรียมตัวตายเนี่ยหมอธนพงศ์ไม่ใช่เตรียมตอนที่คุณได้รับข่าวจากหมอนะแต่เตรียมตอนตอนที่คุณยังดีๆอยู่อครับตอนที่คุณยังแข็งแรงอยู่อยู่ในปฐมใบผมยังดำรับเนียังสมบูรณ์ด้วยความเจริญในเยาว์วัยอย่างเงี้ยคุณเตรียมตัวตายไว้เลย นันเตร Blue ียมตัวตายทำยังไงก็บอกแล้วไงว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเพราะว่ามันจะหนักหน้าไปเรื่อยๆตลอดเวลา<ม> น, นหนักหน้าไปในหมายความว่างไงมันก็หมายความว่าเราจะเจอแต่เรื่องที่ต้องเจ็บนะเพราะอะไรเพราะเร า, er รเรายึดถือมากขึ้นนะเราจะยึดถือมากขึ้นเราจะมีข้าวของมากขึ้นมีลูกมีผัวมีเมียมีเงินมีทองมีข้าวของสมบัติมันมีแต่ของที่ต้องถือต้องถือต้องถื อ, ต, อ, ถอต้องถือนะจริง <green S 2> ครับที น, นี้อนี่ยิ่งคุณถือมากคุณยิ่งจะทุกข์มากทุกข์มากครับ ทีนี้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มกําลังจิตตามความยึดถือที่เรามีอืเพื่อที่เวลามันเกิดหลุดไปเราจะได้วางได้ครับอ่าทีนี้การเพิ่มกําลังจิตตรงนี้ก็คือว่าการที่เราฝึกตรียมตัวตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ต้องยึดถืออะไรมากครับคือคุณยึดถือมามากมแล้วคุณจะมาฝึกนี่มันยากอืมเพราะพุทเจ้าจึงบอกว่าหลวงตาที่บวชบวชตั้งแต่ตอนแก่เนี่ยนะครับฝึกยากไงเพราะมันหนาแล้วนะครับอืมเวลาเหลือน้อยด้วย ใช่ความเพียรความเข้มแข็งอะไรต่างอดทนมันก็จะน้อยลดน้อยลงไปน้อยลง ค, คือจิตเราเนี่ยคือเราคิดว่าร่างกายสมบูรณ์ขึ้นคือหมายว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยคิดว่ากําลังจิตจะมากขึ้นโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่อย่างนั้น ต, ต้องอาศัยการฝึกใช่บางคนะคนแก่เนี่ยหมอรัพงแต่กําลังจิตน้อยน้อยใช่ไหมเป็นคนขี้น้อยใจยี่บ่นจุกจี้จุกจิกพวก น, นี้แ<ม>สดงถึงความที่จิตมีกําลังน้อยทีนี้ เราจะต้องฝึกในระฝึกตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กๆอยู่ครับฝึกแตั้งแต่ตอนที่เราแบบยังมีกําลังอยู่แล้วก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากด้วยนะแค่แค่เรามารู้่วมหายใจอยู่เรื่อยๆแตรงนี้มันจะเห็นผลตอนที่มีอะไรมากระทบกระทั่งคือตรงเนี้จะเป็นการทดสอบกําลังจิตของบุคคลนั้นจริงครับอือย่างนี้ท่านแนะนําว่าควรจะฝึกตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ดีครับครห้าขวบเจ็ดขวบหรือว่าแล้วคือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม่ก็ฝึกให้เลย อครับแม่ตัวแม่เองก็่อนตั้งตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยคุณก็ไปปฏิบัติทําฟังธรรมะอหนังสือธรรมะให้ลูกฟังอย่างนี้เลยครับเอาก็นขนาดนี้เลยละ่ะออืมครับคือก็ได้ยิ่งยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะเร็วยิ่งดี ค, คืออันนี้มันก็อยู่ที่อินทรีย์แก่อ่อนของแต่ละคนของแต่ละ ค, คนอแล้วในขณะเดียวกันไอการที่เราจะทําตรงเนี้ยก็เลยจะต้องพูดถึงเรื่องของเจมส์บอนที่ไปกินยาพิษ ไม่ใช่ไม่กินยายาล้างพิษทอดมันทอดมันอ๋อทอดมันกินทอดมันทุกหมอแล้วพงเคยทําทอดมันไหมเคยเคยเห็นแม่ทำเป็นลูกมือเขาเขาจะต้องเอาปลาเนี่ยมาบดบดครับใส่เครื่องปรุงเลยแล้วต้องนวดตีครับตีตีตีตีจนกระทั่งมันมันเหนียวเนื้อเข้ากันใช่จะเหนียวใช่ครับแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากตีมันด้วยกันเอ๊ะทำไมมันเหนียวขึ้นมาได้อาอารย์มาเคยช่วยแม่บ้านที่บ้านทําสมัยก่อนเนี่ย เรายังจําได้ว่าเออระาวโพดคั่วมันก็ไม่มีอะไรมากนะผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตีตีแล้วมันเหนียวได้ไงเราก็ใส่น้ำนิดหน่อยนั่นเองนะเอาไม่เป็นไรนี่ก็เป็นความสงสัยที่เราเก็บมาตั้งแต่เด็กครับทีนี้ว่าอถัดมาอีกเราก็มาช่วยช่วยแม่นวดแป้งทําขนมหรือทำซาระเปาอย่างเงี้ยนะสมัยเด็กนวดไปนวดไปเี่ทําไมมันมันมันเหนียวขึ้นมาได้คือสมัยก่อนเนี่ยทําขนมที่บ้านนะหมอระพงแม่ก็จะเอาทุเรียนกวนเนี่ยมาผสมกับ ถัวถ่วอถั่วถั่วที่บดแล้วแล้วนึ่งแล้วนะถั่วหลืองอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นเนื้อละเอียดสองแต่ว่าสองเนื้อมันไม่เข้ากันนะคุณจะต้องเอามาบดโอ้โหเป็นกระมงังกระมังเนี่ยมานวดนวดนวใส่กันเนี่ยจนกระทั่งมันเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันเอเเดียวกันป็นไส้ขนมออกมาได้ออืก็หมอแล้วพอเข้าใจไหมนี่ก็ออกครับทีนี้มันจะเข้าข่ายกรณีกับไอ้เจ้าอทอดมันประกายนี้เหมือนกันครับตรงที่ว่าสมมติคุณนวดนวดไปนนวดนวดไปเนี่ย ไอ้ความที่มันเป็นหลายๆเนื้อเนี่ยนะเขาเรียกว่า multiple face multiple face นะนี่อกป่ะสองเฟสสามเฟสอย่างเงี้ยมันจะต้องรวมกันจนเป็น single face คือมีความเป็นเนื้อเดียวกันหเนื้อเดียวกันใช่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างไส้ขนมเป็นต้นทอดมันเป็นต้นนะผู้รู้จักเปรียบเทียบว่าไงพู้รูจักเปรียบเหมือนกับอช่างปั้นหม้อเอาดินมาล้างดินให้ดี แล้วเฉพาะดินที่ตัวเองจะต้องใช้เอามานวดนวดนวดนวดจนกระทั่งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับอันนี้คื อ, อ, อ, อ, อกรณีนี้นะถัดมาอีกเปรียบเหมือนกับช่างงานเอางานเนี่ยมาเตรียมอย่างดีเพื่อที่จะเอามาขัดเอามาล้างเอามาเตรียมเพื่อจะขึ้นรูปแกะสะลักเป็นเป็นงานนี่เปรียบอุปมาอุปไัยของพุทธเจ้านะมีสามอย่างอันที่หนึ่งคือช่างปั้นหม้ออันที่สองคือช่างงานช่างแกะสลักงานอันที่สามคือช่างทอง ช่างทองเนี่ยเขาจะเอาทองเอาทรายทองเนี่ยทรายทองเนี่ยนะคือเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องเอาเอ่อล้างทองใช่ไหมด้วยเครื่องล้างอย่างหยาบเครื่องล้างอย่างกลางเครื่องล้างอย่างละเอียดจนกทั้งเหลือกองทรายทองเขาจะต้องเอากองทรายทองเนี่ยทรายทองเนี่ยเอามามาประกอบอยู่ในปากเบ้าแล้วก็เป่าไฟเข้าไปเพื่อให้มันหลอมออกมาเป็นเนื้อเดียวกันจนกระทั่งน้ําฝาดในเนื้อทองเนี่ยในทรายทองที่มันมันไม่ได้ติดกันเนี่ยมันออกหมดแล้ว คือเหมือนอย่างงดินเนี่ยนะที่เราเอามาเตรียมเนี่ยนะหมอระพงมันก็จะมีอะไรปนๆอยู่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลายหลายเฟสหลายหลายเฟสทีนี้พอมานวดนวดนวดจนกระทั่งเข้ากันดีแล้วเนี่ยจนเป็นเฟสเดียวเฟสเดียวคเหมือนอย่างใส้ขนมหลายหลายคนอาจจะเคยอาจจะจินตนาการได้ง่ายกว่าหรือว่าจะทอดมันถ้าคุณเคยนวดเองกับคามือเนี่ยประสบการณ์นี้คุณจะจําไม่ลืมอย่างตัวมาจำไม่ลืมเรามาเข้าใจพึ่งเข้าใจเนี่ยหมอระพงพึ่งพอเราศึกษาวิวัฒนะเราเข้าใจว่า อ๋อนี่แหละคือความที่มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอืจนมันเหนียวจนมันเหนียวจนมันรวมเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันขึ้นมาอย่างไส้ขนมนะเอาเอ า, เอาไอ้ตุเรนกลวยมาผสมกับถั่วที่บดแล้วอย่างเงี้ยมันจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันความเป็นเนื้อเดียวกันตรงเนี้ยหมอรัง ค, คือจิตประพัดสอนอ๋อจิตใสบริสุทธิ์ใช่จิตประภัดสอน แล้วเวลาที่ามาจําได้นะเราเราตอนที่เรานวดไอ้ไอ้ไส้ขนมอะไส้ขนมแล้วก็ไส้ไอ้ทอดมันเนี่ยนะครับคือถ้าคุณเจอเศษอะไรเนี่ยโยนทิ้งอ่าต้องหยิบออกมาต้องหยิบออกนะเจอเศษอะไรหยิบออกเจอเศษยาอะไรหยิบออกคือถ้ากระบวนการล้างอย่างดีเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกนี้น้อยอาจจะมี<ด>บ้างอย่างสมมุติมาไปดูที่เขาสั่งเตาเตาเผาเตาทําับทกับข้าวอย่างนี้นะที่เป็นเตาดินอะ ที่อุดรธานีตรงใกล้ๆไประตังไปหนองผือเนี่ยตาบไปบ้านผือเนี่ยเขาจะมีโรงงานเผาหม้อที่เป็นเป็นหม้อดินแต่เป็นเผาเผาเตาถ่านนะครับอ่คือเขาทำเตาอ่ะเตาอังโลเตาอังโล่ใช่ใช่แล้วเขาก็เอาดินเนี่ยมาบดบดเนี่ยเขาก็เอาดินจากบึงมาล้างก่อนล้างเสร็จแล้วเขาก็เอาบดเดี๋ยวนี้เขามานวดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้มือนวดแล้วนะเขาใช้เครื่องคูโบต้านวดแล้วเขาเครื่องคูโบต้านวดพอเจอเศษฟางหยิบออก เจอเศษหินหยิบออกเจอทรายหยิบออกหยิบออกหยิบออกแล้จนกระทั่งเหลือเป็นดินมันก็จะมีไม่มากนะถ้าผ่านการล้างอย่างดีนวดจนกระทั่งมันเหนียวเป็นก้อนหยิบยกขึ้นมาได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคือความที่จิตประภัสสน์เข้าใจไหมทีนี้คคจิตประภัสสนที่เ อ, อไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยนะจิตประภัสสนที่ไม่มีพิษแล้วเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยนะมันก็จะเป็นจิตประภัสสนที่บริสุทธ์เลยจบอืมคือหมายความว่า ก็จงกระตั้งเข้าถึงอนุปันธ์ที่เศสนิปานธ า, าตุก็จ ะ, ะจบไปแต่ว่าสมมติจิตประภัทสรที่ยังมีอวิชชาอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีการปนเปื้อนด้วยกิเลสที่จอนมาได้ครับคืออันนี้เราเคยพูดกันไปแล้วว่าสมาธิเนี่ยแหละคือความที่จิตประพัทธสอน ค, น, นคือสมาธิที่ถูกต้องอย่างที่ผู้เช่าบอกนะตั้งแต่ฌานหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้ามีคุณสมบัติอย่างนั้นครบเนี่ยจิตตรงนั้นแหละคือจิตประพัทสอพราะพระพุทธวจนะที่ยืนยันว่าเป็นจิตที่ไม่มีกิเลส ราษฎกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้ง<ก>อยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วน ะ, ะทีนี้ตรงเนี้ยมันกลับคืนเป็นธรรมดาได้ถ้าสมาธิคุณหมดเพราะกิเลสที่เป็นอุปกิเลสเออเป็นเพราะอุปกิเลสที่เป็นอานการทุกข์จรมาอืมครับก็จะไหมแต่นี้อาการทุกข์ที่จรมาเนี่ยมันไม่มันจรมาก็จริงแต่เราไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าจิตนั้นพัฒนาอย่างดีที่สุดแล้วคือไม่มีอวิชชาแล้วอืมก็จะไหมครับเพราะฉะนั้นจิตปัญพบสอนที่เราเจอได้อยู่ทุกวันเลย โดยที่เราทําสมาธิให้เกิดขึ้นทีนี้ที่พูดเล่าเรื่องนี้มาทั้งหมดเนี่ยหมอรพงเพื่อให้ท่านผู้ฟังและคุณหมอรพงทราบว่าจิตคุณน่ะเป็นอย่างนั้นไห ม, มสมมติคุณรกคุณเข้าสมาธิจิตคุณเนียนนุ่มแล้วก็อ่อนโยนเหมือนกับทอดมันก่อนเอาไปทอดไห ม, มหรือเหมือนกับไส้ขนมที่นวดดีแล้วไหมหรือเหมือนกับดินที่เขานวดดีแล้วเตียนจะขึ้นรูปไหม เหมือนกับทองที่เขาอ่อนนิ่มแล้วเอารถฝานออกจากทองหมดแล้วไม่มีความประยุทธ์อยู่ในจิตไหมอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นอย่างนี้ไหมจิต ค, คุณเป็นอย่างนั้นไหมรเราเห็นภาพไปนะจิตรเราเป็นอย่างนั้นไหมเราอ่อนนิ่มอ่อนโยนนุ่มนวนลราบเรียบลึกซึง้งอืมเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจครับแล้วถามว่าจิตคุณเป็นอย่างนั้นไหมคุณเคยสักครั้งหนึ่งที่แบบใกล้ๆตรงนั้นไหมคือบางทีมันอาจจิตแล้วอาจจะมีปรพยชศบ้างอนะใช่ครับเหมือนเหมือม้าบางทีมันมีปรพยชน์บ้างอนะครับทีนี้ว่าโอ้โหสภาวะนี้แบบอออืืไม่ธรรมดาอืมเอาเอาเอาดูดูง่ายๆอย่างเช่นว่าอ่ช่างกลึงอย่างเงี้ยครับสมมติให้หมอทัพพงไปไปอยู่หน้าเครื่องกลึงแล้วลองกลึงนัดสักตัวหนึ่งให้มันเป็นหัวมันเป็นเกลียว อุ้ยหมอท่าพงจะทําให้เป็นเลยเพราะรเราเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลที่จะมาทําเรื่องนี้ได้ครับก <c oughs> ็จะไหมต้องต้องฝึกเยอะเลยอต้องฝึกเยอะเลยอย่างคนใช้เครื่องกลึงไม่เป็นนี่นะเฮ้ยเครื่องนิ้มอยู่ไหนมันจะเก๊เก๊กังกังกึ๊กึกักกติดติดกระขับแต่ถ้าให้หมอท่าพงไปอยู่ที่หน้าเครื่องทําฟันเลยโอโห้เข้าข้องเลยมือซ้ายอยู่นี้อุปกรณ์นี้อยู่นี้อุกรณนี้ไฟอยู่นี้ขาเหยียบตรง น, รรงนี้ตรงนี้ขาเหย ب, ียบครับมันจะเข้าข้องคือแบเพราะเป็นโปรเฟชชั่นอล ทีนี้ทำให้อาม า, มามองอย่างกูบาอาจารย์ที่ท่านทําจิตให้ได้อย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหมันต้องโปรเฟชชั่นแนลจริงจถูกครับอนึกออกไหม ค, คือไม่ใช่ว่ามือสมัครเล่นคุณจะมานวดแล้วมันจะดีขึ้นมาได้นะครับคือคุณต้องทําอย่างละเอียดทําอย่างปันจงทําอย่างประนีรนท<ำ>รบอย่างสมมุติเรานวดอย่างเงี้ยเราเจอนิดหนึ่งคุณต้องหยิบออกเลยถ้าคนไม่ละเอียดเนี่ยก็นวดนวดไปสักแต่ว่านวดไปมันก็มันก็จะไม่ได้ออืมเนื้อจะไม่ละเอียดใช่เนื้อจะไม่ละเอียด ช่างทองก็จึงต้องมีแบบมีการอบรมต้องเป็นมีลูกมือสังเกตเขาใช้คำว่า apprentice apprentice อย่างอย่างเจไดเวลาเขาฝึกฝึกอาสเวนเจไดใช่ไหมอาจจะไม่จำได้ก็จะมี apprentice กับ master เนี่ยจะไปด้วยกันรายะเอียดว่าสมัยก่อนมีละครทีวีอันหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ชื่อว่า apprentice อย่างเงี้คุณก็จะต้องไปฝึกเป็นลูกมือก่อนแต่เพระฉะนนไอ้ลูกมือเนี่ยมันจะต้อง มีการฝึกเป็นระยะยาเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็น professional ขึ้นมาครับกว่าจะเก่งต้องใช้เวลาใช่แล้วจิตตรงนี้แหละมารลพวง์เป็นจิตประพัดสอนที่จิตคุณอ่อนนุ่มละเอียดอ่อนโยนราบเรียบลึกซึง้ง subter subline subter s u b l i m e แปลว่าละเอียดเป็นของละเอียดอ่าเป็นของที่เหมือนแบบเป็นโหถ้าเป็นผ้านี่ก็ผ้าเนื้อละเอียด จับไปแล้วนุ่มนิ่มอย่างเงี้ยจะซักคือด้วยเครื่องที่แบบมาปั่นปันนี้ไม่ได้เลยต้องซักมืออย่างเงี้ยนะครับอเพราะฉะนั้นจิตแบบเนี้ยแหมมันควรจะต้องทําให้เกิดให้มีให้ได้อืมครับโดนอะไรก็ไม่กระเทือนเนะถูกไหมคือถ้าฝึกได้ระดับนั้นเนี่ยเจอความทุกข์กิเลสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ไม่กระทบกระเทือนเลยครัใช่ก็สบายทีนี้ตรงนี้พอเป็นสมาธิแล้วไงต่อ ผู้ชมบอกว่าพอน้อมไปด้วยปัญญาอด้วยสิ่งที่คุณจะต้องทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองก็สามารถทําให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองได้ครับหมายความว่าพอคุณเอาอทอดมันไปทอดเอาทอดออกมาแล้วกินเนี่ยนะโอ้อร่อยอร่อยกว่าทอดมันที่นวดแบบแบบขอไปทีอืเอาง่ายๆเอาแค่ไข่เจียวหมอแล้วับใครทําไข่เจียวไม่เป็นลองทําดูตอกไขลงไปพวกคุณตีถ้าคุณตีไม่เข้ากันนะ คุณไม่ต้องใส่อะไรนะไม่ต้องใส่เกลื อ, ไ ม, อ, อไม่ต้องใส่แม่น้ำไม่ต้องใส่อะไรสิ้นคุณตีอย่างเดียวถ้าคุณตีจนมันละเอียดเอาลงไปทอดมันฟนูแน่นอนอ๋อใช่ครับแต่ถ้าคุณตีแบบไม่ละเอียดนะหรือแบบตีๆขอๆไปทีนะเออมันมั น, ม, นมันจะมันจะไม่ฟูมาแล้วพอื์ลองไปทําดูเลยครับของจริงเลยอเอท <ำ S 2> ําได้ง่ายๆด้วยคุณตีนะคุณนับเวลาที่คุณตี คนเอาเอาจับเวลาสิบนาทีตีอย่างเดียวกับไอ้ห้านาทีตีเนี่ยตีแค่ห้านาทีกับตีสิบนาทีเนี่ยใครเชื่อออกมาไม่เหมือนกันอืมไม่ได้ใส่อะไรอย่างอื่นเลยนะคใครเอามาจากแม่เดียวกันไปเอาจากแผงเดียวกันเนี่ยครับเออออกมาสภาพไม่เหมือนกันฟูอยู่ฟูตอนทอดอยู่แต่พอตั้งในจานแล้วทำไมแฟบแฟบเลยเออแต่อีกอันหนึ่งมันยังฟูต่อไปได้อโอ้โหมั น, ม, น, ม, นมันคนละชั้นนะหมวดหลครับ ความละเอียดก็มีจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันซิงเกิลเฟสเนี่ยเข้าใจไห ม, มเข้าใจครับทีนี้ถ้าเราไปคนที่เรียนวิศวะก่อนแล้วเป็นพวกแมทริ i อสายเนี่ยอ๋อเขาจะท ร, รบาบเลยเขาจะทราว่าอ๋ออนุภาคเนี่ยมันทำงานกันห่างกันกี่โมเลกุลมีความทีความห่างเท่าไหร่ในความที่เป็นซิงเกิลเฟสตรงนี้นะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆสำหรับคนที่บอจะมีความรู้เรื่องนี้แต่ยางคนที่รู้ทั่วไปเนี่ย ก็ให้ทราบเหมือนกับเราทําไข่เจี ย, ว, ย, จย ว, วอย่างเง<ห>ี้ยแ่ะไข่เจียวใสให้มันละเอียดยครับใส่ขนมห <นะ S 1> รือใส่ขนมหรือว่าทอดมันนะถ้าอุปมา อ, อมาปไมของพุชา้าก็จะเป็นช่างปั้นหม้อเตรียมดิน <c oughs> ช่างงานเตรียมชิ้นงางาช้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่างทองเตรียมทองทีนี้พอเตรียมทองแล้วเตรียมชิ้นงาแล้วเตรียมดินแล้วเนี่ยขึ้นรูปออกมานะให้เป็นหม้อให้เป็นงานแกะสลักให้เป็นงานทองคําทองรูปปันพั์อย่างเงี้ย ไอ้ตรงที่ออกมาตรงนี้คือปัญญานะ<ม>ซึ่งพระแต่ละองค์แต่ละท่านสมมติคุณบรรลุปเป็นพระหลานอย่างเงี้นะอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับมีบางคนมี<ด>วิชาสามบางคนมีอภิญญาหกบางคนมีปฏิสัมพิทาสี่บางคนมีความสามารถในการแสดงธรรมบางคนมีความสามารถในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ไม่เหมือนกันตรงเนี้คือปัญญาที่ออกมาขึ้นรูปออกมาแล้วเป็นอะไรอ๋ออ่าอย่างงี้ครับเพราะนั้นก็ตรงนี้แหละที่ว่า เอ่อความละเอียดความลึกซึ้งความอ่อนนุ่มความนิ่มนวลของจิตนะเปรียบเทียบได้กับไอ้พวกนี้ครับถ้าใครเคยไปเห็นทองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจดเก้าเอร์ซ็นไม่ใช่กองเก้าห้าอย่างที่เราไปซื้อตามร้านทองนะอ๋อครับเก้าหกห้าอย่างที่เขามาทำลองทองรูปปพันธ์เนี่ยมันยังมันยังแข็งอยู่แต่ถ้าทองเก้าเก้าเก้าเอร์เซ็นเนี่ยนะคุณเอามาเนี่ ย, เ, ยเออมันนิ่มมันมันบีบได้เลยละ่ะบีบได้ครับ แต่ถ้าเอาอย่างอทองที่เราเคยเห็นสร้อยทองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ยังจําได้แต่ขอห่วงอย่างเงี้ยบางทีเราบิดด้วยมือได้นั่น<ช>คือยังเก้าหกห้านะครับแต่ถ้าทองเก้าเก้าเก้านี่โหคุณยิ่งนิ่มกว่าอีกเพราะความที่มันเป็นทองไงนิ่มนวลทองนี่เราเราถ้าคุณไม่ใช่ช่างทองคุณจะพูดไปก็เท่านั้นเราพูดถึงขนมดีกว่าพูดถึงไข่เจียวอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจได้ครับเห็นใกล้ตัวของใกล้ตัวครับ มาแล้วพงเรื่องนี้เรื่องสําคัญจริงๆนะอย่างที่ที่เรามาพูดว่าครูบาอาจารย์ที่สามารถทําให้จิตนุ่มเนียนเปอย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยคือมองไปางไหนมันสบายใจไปหมดเลยนะครับมันมันไหลลื่นสบายใจมองต้นไม้ก็สบายมองลูกศิษย์ก็สบายมองคนบ้าก็สบายมองฟ้าอังสุรีมาสบายใจไปหมดมันนิ่มนวล น, นุ่มนิ่มอ่ อ, อนโยนอ่ อ, อนนุ่มไปหมดเลยอืมครั บ, รบอันนี้ต้องผ่านการฝึกอย่างมากเลยใช่ไหมครับโปรเฟชชั่นอลอ่ะโปรเฟชชั่นอลอืมครับ เพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่บางคนแบบนั่งสมาธิยังตึงๆแข็งๆนี่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดอันนี้ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ตัวแข็งหมดเลยยังยังไม่ใช่จิตที่แบบอย่างที่ผู้ชาติเบรบเทียตรงนี้อืมครับเขจะต้องเขาเหมือนเป็นทางสายกลางเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ตรงนี้แหละที่ว่าเป็นสภาวะที่แบบไม่สะดุ้งสะเทือนกลายเป็นผู้ที่เพ่งเฉพาะที่จิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี อืมครับือนิมนต์อย่างนี้นะคุณเจ้าอะไรก็ได้คุณเจ้าเมตตาคุณก็ได้เจ้าอุเบกขาคุณก็ได้อยู่ในนี้หมดเพราะอะไรหมอทวดพมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วเมตตาอุเบกขามุมิตาอะไรรวมอยู่นี้เนื้อเดียวหมดคโอ้โหมันมีซิงเกิลเฟสขนาดนี้เหมือนว่าจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แหละเนี่ยอยู่ในนี้หมดจะเอาอะไร่ะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับไอ้เจ้าอ่าทอดมันเนี่ยนะปลาก็อยู่ในนี้ ใบมะกรูดก็อยู่ในนี้เครื่องแกงก็อยู่ในนี้มีอะไรอีกเขาใส่ในไปพริก<อ>พริกไทยเอ่อพริกไทยแรงต่างาอยู่ในนี้หมดนะถ้าเป็นไอไส้ขนมใช่ไหอถั่วก็อยู่ในนี้นะทุเรียนกวนก็อยู่ในนี้น้ํามันก็อยู่ในนี้น้ำตาลก็อยู่ในนี้รนะอันนี้คือมันอยู่ในนี้หมดคุณจะเอาอะไรนะคุณจะเอาอะไรอยู่ในนี้หมดคุณคุณจะเจออะไรก็ตามคือเราจะเห็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเห็นต้นไม้เห็นบุกเขาอะไรก็เห็นแต่ธรรมะหมด นี่คือจิตปัญญาสอนนะเราเห็นสิ่งที่ควรละเราก็รู้ว่าอันนี้สิ่งที่ต้องควรละคือสิ่งที่คนรทำให้แช้งก็อยู่ในนี้สิ่งที่ควรทำให้เจริญก็อยู่ในนี้สิ่งที่ควรรักก็อยู่ในนี้สิ่งที่ควรรอบรู้ก็อยู่ในนี้อย่างนี้นะมอรพงคือมันอยู่ในนี้หมดอ่าหนึ่งเดียวใช่ถ้าจอจะมาจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็จะเหมือนกับเชิดจิตรกรเนี่ยเขาจะต้องบลาบายสีใช่ไหมเขาจะต้องเอาสีมามาผสมกันถ้าคุณผสมสีไม่เข้าท่าเนี่ยไม่เข้ากันเนื้อดีเนี่ยนะมันมันออกมาไม่สวย เพราะนั้น <poisoned> สีท <th phin> <pl ains> ี <fish> <ados> <t t ่ผสมอย่างดีแล้วเนี่ยนะคือเปรียบเสมือนกับจิตประพสสอนเหมือนกับสมาธิตรงนี้แล้วพอคุณใบเพ้นเป็นภาพอะไรออกมานั่นคือปัญญาในพระเาเปรียบเหมือนกับทองที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปเนี่ยเป็นเหมือนกับจิตประพสสอนเปรียบเสมือนกับงานที่ยังไม่ได้ตกแต่งนะยังไม่ได้สําหรับยังไม่ได้แกะสลักได้แต่ว่าแต่งดีแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตประพสสอน เปรี่ยนเหมือนดินที่เขากวนดีแล้วเขานวดดีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ขึ้นรูปเนี่ยเปลี่ยนเหมือนจิตรประสอนถ้าจิตรกรเอาสีไปทาเรียบร้อยนั่นคือปัญญาถ้าช่างทองเอาทองมาขึ้นรูปนะเป็นกําไรปัญญาต่างๆนั่นคือปัญญาถ้าช่างปั้นหม้อเอาดินมาขึ้นเป็นหม้ออันนี้คือปัญญาถ้าช่างงาเอางามาแกะสลักออกมาอันนี้เป็นปัญญาแต่ละคนแต่ละท่านก็จะออกแบบมารูปแบบมาไม่เหมือนกันครับอ่าคือหมายความความสามารถไม่เหมือนกันนะนะครั บ, รบนอกจากนี้มันยังมีอิกมรดงอย่าง อน้ำมันกับน้ำอย่าเงี้ยมันไม่ผสมกันนะใช่ครับอ่าทีนี้ว่าแม่บ้านตามบ้านสมัยก่อนนี่เขารู้กันมาตั้งนานแล้วคือวิธีจะทำให้น้ำกับน้ำมันผสมกันนะคุณต้องใส่ไข่ลงไปกับน้ำส้มสายชูอืมใช่ครับมันจึงกลายเป็นน้ําสลัดออกมาอืม ท, ทีนี้ที่เราเคยเรียนสมัยมัธยมเนี่ย อ, ว, ยาา อ, อวิทยาศาสตร์วิทาศาสตร์วิชาเคมีอย่างเงี้ยนะการที่เอา อ, อยังน้ําส้มสายชูหรื อ, ขอไข่เนี่ยไข่มันเป็นเขาเรียกเอมูเชนสําหรับตัวที่จะผสาน เจ้าน้ํากับน้ <Danger ous S 2> ําม <m> ันให้เข้า like ก <os away> ันใช่ครับอืมทีนี้อะไรที่มันไม่อิมเมลชั่นเนี่ยมันก็จะไม่ผสมกันนะอืใช่ครับอย่างสเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมมุติว่าคุณจะเอาผักเนี่ยไปผสมกับน้ําสลัดแล้วให้มันเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันไม่เข้านะใช่ครับอ่าอย่างตัวอย่างที่มันจะเข้ากันอีกก็อย่างเช่นอะลอยของโลหะอืมอลอยของโลหะอโลหะผสมเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ที่ส่วนผสมที่มันให้ทําให้มันเข้ากันนะมันถึงจะเอามาเข้ากันทีนี้ไอ้ของผสมเนี่ย อีกตัวอย่างหนึ่งคืออย่างใครเคยใช้กาวอีพ็อกซี่เนี่ยนะจะรู้อีพ็อกซี่เนี่ยเป็นกาวที่แบบคุณต้องมีส่วนผสมหลอด a อกับหลอด b ผสมกันแล้วมันจะออกมาหนึบเลยใช่ครับถ้าผสมกันไม่ดีเนี่ยมันมันจะใช้งานไม่ได้แต่เรต้องผสมกันอย่างดีนึกออกไหมอ่าแล้วไปยานเนื้อไม้ทําขึ้นเป็นรูปอะไรต่างๆได้อีพ็อกซี่ครับอทีนี้มันประเด็นอยู่ตรงนี้หมอรัฐพงศ์อย่างเวลาเราผสมปูนอย่างเงี้ยส่วนผสมที่ต้องใส่ในปูนเนี่ยคือน้ําไลายแล้วก็ปูนซีเมนต์ ใช่ครับทีนี้ว่าถ้าคุณใส่ใบไม้เข้าไปเฮ้ยมันมันไม่ได้นะไม่ได้คือสิ่งที่ควรนําออกต้องนําออกอย่าสมมติว่าจิตเอาประพศนอย่างเงี้ยกูบอกเอาเอาความโกรธใส่เข้าไปด้วยไม่ได้นะอืมไม่ได้เพราะว่าความโกรธนี้ผสมอยู่ในจิตที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาออกต้องหยิบออกครับอืมออย่างสมมุติถ้ามันประกายเนี่ยคุณจะผสมก้างเราไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาก้างออกอย่างไงยังไรก็ไม่ได้เข้าใจไหมครับอครับอย่างนั้นขึ้นรูปไม่ได้อ่าขึ้นรูปไม่ได้ มันมันก็เหมือนกันจิตประพาสสอนเนี่ยคุณไอสิ่งที่ชั่วช้าลามกต้องเอาออกอกุศลธรรมาอะไรเอาออกนิวรณ์เอาออกเข้าใจไหมพอมเอานิวรณ์ออกแล้วเนี่ยจิตก็เป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานของจิตตรงนี้ครับอพอเป็นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จึงสามารถใช้งานได้ตรงเนี้ยละเอียดมากจริงหมอรัฐพอศ์เห็นภาพชัดเลยครับอืมสิ่งที่ไม่ควรจะเอาไว้นะต้องเอาออกอย่าให้มันเกิดอยู่ในคือไม่ว่าคุณจะพยายามจะผสมยังไงเนี่ยมันจะออกมาไม่เป็นท่า ถูกครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าโอเคตรงเนี้ยคือความที่จิตมันแบบแหมประพัดสอนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแลาต้อทําให้ได้ขนาดนี้แล้วมันมันไม่ใช่ธรรมดาต้องแบบออืคนเก่งจริงๆถึงจะทำได้ต้องครูบาอาจารย์อืคือเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะสมาธิที่เราทำทำกันเนี่ยเข้าหางอึ่งเท่านั้นเ อ, องมรรคกงเข้าหางอึง่งเท่านั้นเอง ดู อ, อย่างอย่างของพระพุทธเจ้าอ่าของพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ฟ้าผ่าโคโตายสี่ตัวพี่น้องตายสองคนไม่สะเตือนอย่างเงี้ยครับไอ้ทนนี่เรารู้มันถางอึ่งจริงๆจริ ง, รงครับ น, นี่คือจิตลักษณะจิตรประพสอนนะทีนี้จิตประพอสอนเนี่ยถ้ามันกลับกันเริ่มอีกแล้วว่าคุณยังมีอวิชชาหมายว่าถ้ามันหลีกออกจากหนีออกจากความที่จิตประพอสอนเนี่ยแต่ถ้ามันอ่าจิตประสอนไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็สบายอย่างน้อยก็ยัง ละเอียดไม่ละเอียดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอย่างน้อยยังยังมีความกิเลสเนี่ยมันมันไกลจากกิเลสอ่าไกลจากกิเลสก็เป็นลักษณะของผู้เช่าบอกว่าใบบัวไม่ติดน้ําอย่างเงี้ยนะมันกลิ้งออกกลิ้งออกเลยอย่างเงี้ยเองครับเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นส่วนผสมส่วนผสมต้องดีเนื้อสมผสมไม่ดีไม่ได้นืส่วนผสมที่จะมาผสมให้จิตเป็นจิตประพัสสอนได้เนี่ยก็คือมักเท่านั้นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายคุณใส่เข้าไปเลยนะผสมกันนวดให้ดี คันให้ดีสับให้ดีทำให้ละเอียดมันจะออกมาเนียนมาจม อ, อมาสวยงามมาจ่ อ, อมาเป็นละเอียดลึกซึ้งเอาไปทำอะไรได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเดินตามมักรนี่แหละเป็นกระบวนการที่ทำจิตนี้ให้เป็นอย่างนั้นสูตรทาขนมนมีอยู่เรียบร้อยอยู่ในมักรเดินตามนี้นะสูต ร, รปั้นหม้อมีอยู่ในมักรเดินตามนี้นะสูตรทำทอามันประกายมีอยู่ในในมักรเดินตามนี้บางเถอะ เราไม่ไม่ต้องไปคิดหนทางอื่นใช่ไหมครับว่าเออเป็นมีอะไรที่กปนปิดแผกต่างจากนี้ใช่ไหยครับนี่แหละคือที่สุดแล้วครบรอบเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้หมดนั่นคือตามปริยมักนั่นนี่คือประเด็นที่พูดถึงเรื่องของเท่ามันประกายตรงนี้ครับแมชชัดเจนเลยนะครับท่านเห็นทั้งในรูปของทานแล้วก็ในรูปของตัวโลหะหรือทำให้เราเห็นภาพ เปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับอันนี้อืมดีว่ามันมันจะมีอีกตัวอย่างหลายๆอย่างเลยหมอระทวงที่ว่าคนอยู่ในวิชาชีพไหนเนี่ยจะเจอสภาวะลักษณะนี้ของของคุณอยู่ของคของประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยจะรู้อยู่ไหนว่าแต่คนอะไรคนอยู่ในผับอยู่ในบาร์อย่างเงี้ยเวลาคุณที่เป็นทํามิกเซอร์ผู้ทํามิกเซอร์บาร์เทนเดอร์อย่างเงี้ยเขาต้องเขาต้องสังเกตพวกนี้ทั้งหมดออครับเขาลองผสมกันให้ได้ล่ะครับ อย่างกรณีของธันดแพทย์นี่ก็ตรงเลยครับท่านอือย่างวัสดุที่จะอุดฟันเนี่ยก็ต้องมีเนื้อที่เดียวกันใช่ใช่ครับครับไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้เนาะครับงั้นก็ความแข็งแรงหรือว่าการการขึ้นรูปมันจะทําไม่ได้ครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงช่างก่อสร้างก็จะเข้าใจเรื่องการผสมปูนใช่ครับแล้วพวกจิตรกรก็จะเข้าใจเรื่องการผสมสี ครับใช่ครับอืพวกแม่ครัวก็จะเข้าใจเรื่องการทําขนมการทําต้ามันประกายครับอย่างเงี้ยครบพวกวิศวกรก็จะเข้าใจเรื่องอันลอยกับสารอิมอัลชันแหละจริงครับจริงครับถ้างั้นก็เข้าใจแล้วเนาะทีนี้เนาะหมอทศพงศ์เนาะครับเข้าใจเห็นภาพชัดเจนครับเพราะตรงนี้ก็จะตอบคําถามของคุณศรีลีลาที่ว่าถามถึงกันที่จะงับความ ความโศกตรงนี้ได้ดนะแล้วเราก็ค่อยทําขั้นตอนต่อไปคือให้จิตของเราเป็นจิตที่พระพสอนนิ่มนวลนนให้ช่วยโอกาสจากความที่ทุกข์ที่เรามีในการที่เราจะเห็นธรรมะได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้กินเกลือยังไม่ได้ดื่มน้ําตาล ม, มากๆเนี่ยก็พูดไดเฉยรจริงจะไม่เห็นแล้วเราก็คิดเรื่องอะไรง่ายๆที่มันจะทําให้เราพอจะเป็นสุขได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นการให้กําลังจิตกําลังใจตัวเองในรุ่ตงต้นด้วยนะครับ อมีนะครับก็ขอเอาใจช่วยคุณศิริลาด้วยนะครับแล้วก็ <บา S 1> ท, ทุกท่านที่ที่ประสบปัญหา น, านี่เหมือนกันคือทุ ก, ท, กทุกคนคร <laughs> ับโดยเฉพางยิ่งถูกหักหลังนี่นะโอ้โหวเป็นความทุกข์ที่ทุกมากอืมจริงครับท่านแล้วก็ไอ้ความแบบสิ่งที่เราเก็บมาทั้งหมดอย่าเนี้ยหายไปด้วยคืนเดียวอย่างเงี้ยหรือเจอลูกล้างฝาญอางเงี้ยเอาทรัพย์สินสมบัติไปเล่นการบรรณาหายหมดอย่างเงี้ยโอ้โหครับโอ้เศร้ามากเลยหลักจริงครับที่ อย่างไรก็ตามเออเราก็จะมาตอบคําถามนะของผู้ฟังรายการครับของคุณมักคานุขามักคานุขาครับเออถามดึงถามว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องเวทนาสิบแปดเวทนาสามสิบหกแล้วก็เวทนาหนึ่งร้อยแปดนะครับอืมเอานี้ก่อนคือเวทนาสิบหกสามสิบหกไอสิบแปดสามสิหก้อยแปดครับมาจากไหนเราเราจะพูดถึงเวทนานี้ก่อน พุทธเจ้าเคยบอกว่ า, เ, าเคยห้ามภิกษุทั้งหลายที่อยากไปทะเลาะกันว่าเวทนามีกี่อย่างนะเพราะว่าพระุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายอย่างเวทนา2ก็มีเวทนาสก็มีเวทนา5ก็มีเวทนาหก็มีเวทนา18ก็มีเวทนาสาก็มีเวทนาร้อก็มีแล้วก็จะไล่ไปเวทนาสองเป็นยังไงนะก็คือทางกายกับทางใจอ๋อกายกับใจกายกับใจนะนีค่คือ2เวทนาบางทีกาย รู้สึกเจ็บอยู่แต่ใจไม่เป็นไรนะบางทีเจ็บใจแต่กายไม่เป็นไรอย่างคนที่เจอเรื่องทุกข์ใจอย่างเงี้ยกายมันไม่เจ็บแต่ใจมันบาดไปที่หัวใจยังไม่รู้ก้อนเนื้อหัวใจมันไปเกี่ยวอะไรนะอย่างอย่างถัดมาคือเวทนาสามนะคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกรมสุขเวทนาในพุทธศาสนาก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสามอย่างห้าอย่างคืออะไรนะพระพุทธเจ้าก็เคยบอกอ ให้อย่างคือคือสุขทุกโสมนัสโทมนัสและก็อุเบกขาห้าอย่างนี้ก็มีนะสุขเนี่คือสุขทางกายทุกคือทุกทางกายโสมนัสคือสุขทางใจโทมนัสคือทุกทางใจอุเบกขาก็คือการวางเฉยทั้ทงทางกายและทางใจครับตันี้เวทนา6กเป็นยังไงเวทนาหกพุทธเจ้าก็พูดถึงเวทนาอันเกิดจากสัมผัสตา่างๆ่าสมมติเราฟังเสียงดังๆเนี้ยอีอ๋ออีอ่อเยี่ออมาโอ้ยมันไม่ชอบเลย น, นึกถึงคนป่วยคนไหลมันก็เป็นทุกขเวทนาทางหูอย่างเงี้ยนะแต่เป็นทำให้เกิดอุทุกขามาสุ ข, ขเวทนาทางใจอย่างเงี้ยกเป็นไปได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น ค, ค, คือเวทนาที่แบ่งจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอ๋ออายตนาทั้งหกใช่หอย่างครับครับนะทีนี้เวทนา18เป็นยังไงเวทนา18ก็คือความรู้สึกที่เกิดจากความสุข6อย่างนะความทุกขอย่าง แลก็อุบຈขาหกอย่างคืออย่างที่ที่พูดอย่เงี้ยเนี่ยสมมติเราฟังเสียงดนตรีโอ้เรามีความสุขทางหูครับโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นการโอ้ไม่เอาไม่เอาเป็นความทุกข์ทางใจอย่างเงี้ยอ๋อคือชอบไม่ชอบในหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะมีสุขทุกอุเบกขาครับหกสามหกคูณสามได้รสิบแปดนี่ไงอ่าครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความสุขทางใจนะความทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาทางใจที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นครับ เนี่ยหรือไมครูชาก็จะใช้คําว่าโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาอเบกขาจะไม่ได้ใช้สุขทุกอุเบกขานะสุขทุกอุเบกขานี่มันคือทางกายแต่โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเนี่เป็นทางใจทางใจเลยครัใช่ทีนี้นี่คืออ่สิบแปดนะสามสิบหกเป็นยังไงสามสิบหกก็คือเวทนาที่เกิดจากด้วยด้วยเย่าเรือนด้วยกรมคุณเนี่ยนะห้าอย่าง กับลีออกจากเย่าเรือนไม่เกี่ยวกับกรรมคุณอีกขอไป อ, อีก6อย่างนะแล้วก็โทมนัสสุกเนี่ยสุกทุก อ, อุเบกขาที่เกี่ยวด้วยเย่าเรือนกับไม่เกี่ยวด้วยเย่าเรือนก็คือหกคูณ3เป็น18ใช่ไหมใช่ครับสินี่คือสกุกทุกที่เกิดต่างของจุ ม, มินทรียใจใช่ไหมแล้วก็อุเบกขาทีนี้อันเกี่ยวข้องกับเย่าเรือนกับไม่เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนหมายความว่าไง เป็นไงครับการหมายความว่าอย่างสมมุติ เ, เกี่ยวข้องด้วยเยาวเรือนอย่างเช่นว่าคุณมีคุณไปฟังเพลงอย่างเงี้ยคุณไปดูหนังมีความสุขอันนี้เราเข้าใจแล้วนะที่ที่เราพูดตะกี้หรือว่าเราฟังเพลงโอ้ยเพลงนี้ไม่ชอบเลยมีความทุกข์นะก็จะเป็นหกอย่างเข้าใจนะอุเบกขาอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเยาวเรือนนะอันนี้เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนที่พูดถึงการฟังฟังดนตรีด้วยหูพวกเนี้ยนะคืออะไรที่มาจากทางอายตนะใช่ตาหูจมูก ร่างกายนะเกี่ยวกับเย่าเรือนทีนี้การหลีกออกจากเย่าเรือนเป็นยังไงอย่างสมมุติเรามาบวชอย่างเงี้ยคุณนั่งสมาธิเกิดความสุขทางใจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภายนอกเลยครับอันนี้คือหลีกออกจากเย่าเรือนคล้ายๆนิรามิตใช่ทีนี้พอเรานั่งสมาธิไปเกิดความทุกข์เอ้ยเกิดความสุขแล้วความสุขนั้นหายไปโอ้ยสมาธิเสื่อมนานเป็นทุกข์เป็นโทมนัสที่เกิดจากการหลีกออกจากเย่าเรือนอ๋อไม่ใอ่ไหม เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการหลีกออกจากเย่าเรือนอย่างพระอย่างเงี้ยครับอ่ะอยะจีวอนเราตากไวได้ดีๆขาดโอ้มีความทุกข์ไว้อย่างเงี้ยขณะว่าจีวอนนี่ไม่ได้มีเป็นวัสดุอะไรที่มันจะมีกามเกิดขึ้นได้เป็น <uk> en, การหลีกออกจากกามละใช้ของแบบที่ห่วยๆมาทําอืครับเออมันยังมีให้เราเกิดความทุกข์ได้อ๋อครับอนึกออกเนาะนึกออกครับนี่อย่างบางคนอย่างพระหลีกออกจากเย่าเรือนละโอมีคนมาถวายปัจจัย เป็นผ้าเนื้อดีโอ้ดีใจขึ้นมาอันนี้ความสุขเกิดออกจากการออกจากเย <อ Fellows S 2> ่าเรือนนะเออมันเป็นอย่างนั้นด้หลีกออกจากเย่าเรือนนะครับ น, นึกออกเนาะพระพุทเจ้าจึงแบ่งอย่างนี้ทั้งอยู่ในเย่าเรือนหลีกออกจากเย่าเรืนอนอของคือของของพระนี่เป็นเดี๋ยวว่าไม่ได้อยู่ของใช้ในเรืนอนอืใช่ไหมครับด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนครับอคือไม่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุทางการมาคุณน่ะ ครับอ่าไม่เกี่ยวข้องดยวัตถุต่างกๆมาคุณอก็จะเป็นจะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นทั้งหมดสามสิบหกอย่างครับนะมีตรงที่อาจจะไม่เข้าใจอย่างเช่นว่าอุเบกขาที่เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนมีไหมมีไหมสมมติเราโดนโดนแม่ด่าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อุเบกขาไว้เฉยอ่าอไม่สูกไม่ทุกอันนี้ก็อุเบกขาเกี่ยวกับเย่าเรือนครับทีนี้อุเบกขาที่ ไม่เกี่ยวเรื่อเรือนี้เราพอจะเข้าใจอยู่สมมติเราคุณมาวัดนั่งสมาธิคุณก็อุเบกขาใช่ไหมครับทีนี้สองตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงคือบางคนนี่เป็นอย่างนี้อฟังดนตรีฟังดนตรีคลาสสิกอย่างเงี้ยคยี่อ้อยยี่อ้อมาแล้วนีก็นั่งสมาธิไปฟังดนตรีไปโอ้โหมีความสุขจังเลยมีปีติสุขนะปีติสุกนี้เสร็จปุ๊บนี่คือปีติสุขที่เกิดจากเย่าเรือนนะถูกไหมเป็นปีติสุกที่เกิดจากย่าเรือนถามว่าอังล่าปิดปิดเสียงซะ แล้วเราก็ทรงปีติสุขนี้ไว้ให้ได้ที่เกิดจากในาภายในเราก็เปลี่ยนเจ้าปีติสุขเนี่ยให้เป็นปีติสุขที่ไม่เกี่ยวข้องด้ยวยเย้าเรือนจ้าครับคือบางคนอาจจะใช้ดนตรีช่วยในการที่ทําสมาธิให้มันเกิดขึ้นนะนะอ๋อ ใ, ใ, ในช่วงแรกใช่ในช่วงแรกแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสมาธิที่ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเจ้าเครื่องล่อพวกนี้ครับเข้าใจครับนะ<ม>อ่าทีนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอธิบายถึงนะอดีตอน า, นาคต แล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันอ่าเป็นอ่าสามสิบหกคูณสามสามสบกคูณสามก็เป็นร้อยปดพดีอ่าอย่างนี้อืมนั้นคือลักษณะของเวทนาร้อยแปดมรดกพงนี่แหละนะมันเอาเราร้อยแปดทางโอ้โหมันอัดเราร้อยแปดทางครับุณนั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวคิดเรื่องในอดีตอุ้ยเราเคยไปกินไอ้นี่นั่นเวทนาทางลิ้น ใช่ไหมที่เกิดด้วยเย่าเรือนในอดีตอโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอีกดีกว่านานเอาอีกแล้วเวทนาทางลิ้นที่เกิดด้วยเย่าเรือนทางอนาคตครับอไอ้จะชวนใครไปดีจะโทรไปหาคนนี้ดีกว่านะสัมผัสทางเวทนาทางหูแต่มาที่เกิดด้วยเย่าเรือนในปัจจุบันโอ้โหมันเอาเราทุกทางทุกทางเลยทีนี้มันเป็นยี้คือถ้าเราเรามองว่าเราถูกจัดการทุกทิศทางเนี่ยนะ มันก็ได้แต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมได้สดับฟังเนี่ยสดับฟังธรรมเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นโอกาสว่าโอ้เรามีทางรอดตั้งร้อยแปดทางอ๋อมองกลับใช่เพราะว่าอะไรถ้าเราวางได้สักทางใดทางหนึ่งโผงเลยคุณโผงเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผางเลยคือคุณจะแบบสบายเลยเพราะว่าเวทนาเป็นที่รวมลงแห่งความทุกข์ครับถ้าคุณวางเวทนาได้คือจบเลยคว่ําเลย นึกออกไหมเพราะฉะนั้นดับเย็นจังหวะที่เราเจอเวทนาที่มันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเย่าเรือไม่เย่าเรืออดีตนาโคตปัจจุบันเราเห็นความจางคลายความดับไปของมันบ่อยๆเห็นจาความจางคลายความดับไปของมันบ่อยๆเราจะวางได้เราจะเบื่อหน่ายเวทนาไม่ไม่ได้เรื่องว่ะอันนี้ก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ก็กำลังพูดถึงอนะเพราะฉะนั้นเราเราเรามีวิธีการที่ ทางออกมีอยู่คือไม่ใช่ว่าเราจะมองเห็นว่าโอ้โหไม่มีแต่ปัญหาอื ม, มีแต่ปัญหานี่ก็เป็นไม่ใช่ลูกศิษย์ตาคนล่ะเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยสอนให้มองโลกในแง่ร้ายนะคือถ้าเราบอกว่ามีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันอันนี้แต่ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ที่พระเจ้าสอนนี่คือให้เห็นตามที่เป็นจริงเอข้อเสียมันคืออะไรข้อดีมันคืออะไรทางแก้มีไหมมีทํำยังไงอย่างนี้อย่างที่เราคุยกันมาครับเพราะนั้นนี่คือเรียกว่า เห็นตามสภาพตามที่เป็นจริงแล้วนะเราก็ข้อเสียมันมีอยูนะ่มาพูดกันอยู่ตรงนี้ในะวิธีแก้มีไหมมีนะคุณวางให้ได้คุณให้เห็นความเสื่อมไปให้ความไม่เที่ยงของมันครับเราเห็นได้ต้้งร้อยแปดทางนะนี่คือข้อดีที่เราจะปล่อยวางได้เราจะสามารถให้เข้าใจได้ไงนะครับแมอันนี้แยบคายมากเลยนะครับความละเอียดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้คำสอนของตถาคตนี่ สุดยอดจริงๆอ่ะแยกได้ถึงร้อยแปดนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเั้งนี้ประเด็นคุณนุงก็ชัดเจนครับท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของเจมส์บอลกินกินทอดมันแล้วก็ได้ตอบคำถามถึงเวทนาร้อยแปดอย่างครับก็คุยแค่สามเรื่องเนี่ยคุยกันมาตั้งโอ้โหเกือบชั่วโมงแล้วนะครับครับจริง ยังไม่ได้บอกว่าตอนนี้เป็นตอนเอพิซอดที่เท่าไหร่เอยหกสิบแ้วครับแล้วก็ค่อยติดตามฟังกันใหม่ในตอนต่อไปครับถ้าต้กฟังมีคำถามหรือคำแนะนำส่งมาที่เพียวธรรมะ .com ได้นะครับนะแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในตอนถัดไปเรียนฟังครับกราบทศการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพรูนอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี และกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ